สังคเภท18ประการ275ในหัวข้อเหล่านั้นเรื่องทาความแตกร้าวกัน18ประการเป็นไนคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. แสดงอธรรมว่าเป็นธรรม 2. แสดงธรรมว่าเป็นอธรรม 3. แสดงสิ่งที่ไม่ใช่วินัยว่าเป็นวินัย 4. แสดงวินัยว่ามิใช่วินัย 5. แสดงสิ่งที่พระตถาคตมิได้พาสิทธไว้มิได้ตรัสไว้ว่าพระตถาคตได้พาสิทธไว้ได้ตรัสไว้ 6. แสดงสิ่งที่พระตถาคตได้พาสิทธไว้ได้ตรัสไว้ว่าพระตถาคต มิได้พาสิทไว้มิได้ตรัสไว้ 7. แสดงจริยาวัดที่พระตถาคตไม่ได้ทรงประพฤติมาว่าพระตถาคตได้ทรงประพฤติมา 8. แสดงจริยาวัดที่พระตถาคตได้ทรงประพฤติมาว่าพระตถาคตไม่ได้ทรงประพฤติมา 9. แสดงสิ่งที่พระตถาคตไม่ได้ทรงบัญญัติไว้ ว่าพระตถาคตได้ทรงบัญญัติไว้สิบแสดงสิ่งที่พระตถาคตได้ทรงบัญญัติไว้ว่าพระตถาคตไม่ได้ทรงบัญญัติไว้สิบเอแสดงอาบัตว่าเป็นอนาบัตสิบสองแสดงอนาบัตว่าเป็นอาบัตสิบสามแสดงอาบัตเบาว่าเป็นอาบัตหนักส4ี่แสดงอาบัตหนัก ว่าเป็นอาบัตเบาสิบห้าแสดงอาบัตที่มีส่วนเหลือว่าเป็นอาบัตที่ไม่มีส่วนเหลือสิบหกแสดงอาบัตที่ไม่มีส่วนเหลือว่าเป็นอาบัตที่มีส่วนเหลือสิบเจ็ดแสดงอาบัตชั่วหยาบว่าเป็นอาบัตไม่ชั่วหยาบสิบแปดแสดงอาบัตไม่ชั่วหยาบว่าเป็นอาบัตชั่วหยาบ นี้คือเรื่องทำความแตกร้าวกัน18ประการ